พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหาบุญญาณนสัมป น, นูแสดงณวัดป่าบันตาดเมื่อคืนวันที่11พฤษภาคมพศ2564แสดงในคืนวิสาขบูชาโตรดจคณะหมอโวยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แห่งศิริราชพยาบาลเทพมวนนี่รวม3กันกันต่อไปนี้เป็นกันที่3 อวะโตอระหโตสัมมาสัสามพุทัสสะกิโตมนุสสปติลาโพตีวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพทระุทชาเครื่งสุขปราศรุ ตัดขันตรินิพานทั้งสามขันตรงกับวันสมพัติสูตรานาฏเราทั้งหลายก็ถึงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติขีงพระกายของพระองค์ อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติขอความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติทางกายด้วยแต่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือด้จิตในตรัสรู้ธรรมมะอันบริหมดจบอย่างยี่ ใจที่เป็นเจ้ากองวัตรมาเป็นเวลานานคือพาให้หมูเยยนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสื่นจุดไม่มีตัวหมายก็เลยมาตัดสินกันเนึงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัตือรธธรรมกับวันตัดปัญหาความยุนงยางของความทุกข์ทรมานทั้งหลายั้นมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้น ลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าต ร, รัสรู้แต่การมิธานั้นหมายถึงพระกายที่จะลายลงตามสภาพของส่วนขะสมคือคือโลกนิธรรมก็เรียกว่าธาตุธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ้าสมกันทั้ง ส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ําลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบ อ, อุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสม ทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระสัพ์ของพระพุเทธเจ้าคู่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่า น, นิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานไม้ถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุี่ไม่ได้ดับเมื่อสหลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำบนไฟเป็นธ า, าตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั้นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นศัตรูอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิ ญ, ญญาณครองนี่คือส่วนสมมุติตามปกติของโลกทั่ ว, วไปจะไม่ปราศจาก ส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจปราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาพหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้น ส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี่มาสีกับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรร ม, มขึ้นภายในพระไทยเท่นั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระไทยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่จัตรัสรู้ธรรม แล้วทรงประกาศพระศาสนาได้สี่สิบห้าพันภาษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื่นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงที คือเรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจํานวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆบูตสมเด็จพระโสดาพระจาพระอนาคาาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัญญาณุปุตชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกําลังความสามารถหรือว่าตามสติกําลังความสามารถของลนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยส่วนพระองค์ท่านเมื่อคําว่าการปฏิญพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศ องค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานทีนท่นั่งทิ้งอย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านมัตุ์พอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันมิผ่านนี่ส่วน พระากายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนกาาท็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปตรวที่นั่นที่นั่นที่ถื อ, อร่าะกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะจะทรงพระชนอยู่ก็าตามหรือจะนิพพานไปแล้วกว็าตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียด คำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์แห่งความบริสุทธิ์นี่แหลเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านๆมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปคลายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเราเใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลส ค, คือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอ นั่นท่านเรียกว่ากิเลสก็ควรให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศ้าโศกให้เทิดให้เพิน ใ, ให้อยุ่เหลืองต่างๆที่เกิดจากความกระทิบทางทางใจแล้วก็เชื่อไปตามชิงที่คอยกระทิบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจ แต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องด้วยยุ่ยใหญ่ในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้ชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สับโลกเราเรียกว่าตาย พระพุทธเจา้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอ ก, หล อ, กหลอ น, หลอนเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คาว่าหลับดับแบบเราหลอกหลอนลอ น, นั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปยการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลาบากเคยสัมผัสอันนี้อยู่ประจําวัตตะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันตั้ณ น, นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจําไม่นาน เมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลาท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงหลือท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอย ความเป็นมาของตนนี่ผิด ก, กันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเพียงเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียง ด, ดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดี นอกจากคนเสียจากสุขเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงกว็ต่างสําหรับบุคคลตระเพงนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจํานวนมากเท่าไหรก็าตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจํานวนน้อย แม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามความ ร, รู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรือฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาดีกล่บนับไม่ควนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาจัดทั้งหลายที่มีนาตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตาม สวัส ข, ขาตธรรมที่ทงท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆนมาจะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูก ทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถาปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุแห่งเสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นฆ่าติดต่อตัวเสเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้อง เป็นแบบฉับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปลนแขนถังตั้งไว้เป็นแบบฉับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่กรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ตีและไม่ลดละ สุดนั่นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความปรัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวดขาตาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ยอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวดขาโตพระควาตาธรร ม, มดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอ ถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไม่ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เกวราสาทั้งสัพยันฉนงังเกวราปริบุมนงังปริสุทธังธรรมจารย์ยงังประกาเศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวโทรงประกาศธรรมจรรย์คือทมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ ทั้งอับทั้งพญานะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนศูงไม่มีที่ตําหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตุณิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมนาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ร้อยเปเ็น อาจจะปลอมเสียถึงยิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้จริงเพียงแปดสิบเปอร์เซ็นทํานั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชน น, นำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นสุนอวสาน แต่หลักธรรมะําสั่งสอนของพระพทรุทธเจ้าแม้จะมีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมะขันล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวข้อตา่างจะแยกออกจากทำหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าทำบทนั้นหมวดนั้ น, น, นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกช่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสุบ ข, ขาตัดธรรมคือจัดไม่ชอบเลย มีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะ่ะฉะนั้นพระธรรมะของพระพุทธเจา้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้สองพันห้าร้อยิบเอ็ดปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสุขหาตธรรมไปอีกคือตัดไปชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่ง ไม่มีใครสามารถอาจเอื่อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั่นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตูเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพระโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าทำทมของพระพุธทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหที่ียกวาสวรคัสโตพระกวตาธรรมมีความสมบูรณ แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนวรารสารเหมือนพระพุทธไตรจัรฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไตรพพไตรโลกธาเทวดาอินพรมยมยักษ์ได้กราบว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธไตจก้กร น, นิยานิโกหรือนิยานิกร ร, รมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อขอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกนับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบทกบทุกบาท สอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนชาตไม่ใช่สอนเพื่อความความโง่ใส่จัดทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้จัดทั้งหลายกรอบคุยเอาทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบปัญญาของตนทนั้งหลานเพราะฉะนั้นธรรมะคำํำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นค่าสึดต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้น นี่อธิบายถึงเรื่องคำมั น, นิพพานของพระพธธุทธเจ้าเลยตระเลิดมาถึงธรรมะต่อเ น, นื่องเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาศัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเรื่องสายและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคนิพพานขึ้นมา แล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้ฟางวังโดยรวดเดียวบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นาศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านจะรงประกาศโดยพระ อ, องค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกประกาศสอนกันมา และประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิผ่านเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันมิผ่านตรงกับวันวันนี้วันเดียว ทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยไทยวันนี้ได้ทำการส ก, การะบูชาทำความรุ่งถึงถึงงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิศาสตร์ให้แก่โลกและกราบวหาบูชาความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้ว คุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไวเช่นนั้นไม่ทรงื้อถอนไปตามพระพุทธิจักรศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเช่นคงวาจัดเป็นส่วขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธ โรดได้นำธรรมะคาสังสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่าเสมอไม่โรดผลคำว่าสม่าเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็าเสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่าเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผล ไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มรมอนรอนสูงสูงต่ตําๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องช้าก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายเหนือหลักธรรมะคําสอนของบุพเท迦เป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาว เทพพระเทพเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแหกทุกมุมมาให้เสียความหวังของผู้สนใจไใข่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปเผื่อพิสปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองค้ามัธรรมถ้าจะเที่ยบเป็นเหมือนด้านวัตถอแล้วเหมือนกับรถอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏ ให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็าตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้น เราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเหตุธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็าตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเร า, เราท่านๆซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ยเช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อ เช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี้แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนุกสนุกมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบขุ่มเดา ไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนาความประพฤติ ท, ทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทาตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าทร ที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคมภีนั้นนั่นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่คี้บอกยาชนิดนั้นนั้นแล้วผู้ต้องการยาก็ไปห า, าตามตำราที่คี้บอกนี่ธรรมะที่ท่าน สอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคำพีรนั้นนั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำเรียกว่าตําราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทําชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นทําดีผลก็จะปรากฏเป็นฝุ่ขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคำพีร คำภีทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คำภีไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่หลังนอกจากคนเท่านั้น เพราะฉะนั้นาศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเทอดดีก็คือคนจะทําให้ดีชั่วก็คือคนจะทําให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลาบากเพื่อความถูกความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากาศาสนาจึงสอนลงทิ่นไม่ได้สอนไปที่อื่นใดเท่านั้นทั้นเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดัง พาสิทธิยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุอามนุสสปฏิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอนัอนประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทําไมจึงว่าเป็นลาภอนัอนประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าศัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยทร ผู้ที่จะนามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงถ้าะสมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต้อไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ดั่ เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ันั้นเหมือนกันถ้าผสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์หนัถ้าหากว่าภูไม่สามารถถึงนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรลนะ ไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วไปไม่เป็นที่สดุตาสะดุดใจทางที่เราเดินผ่านมาเห็นกระตอบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สดุตาแระว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุตาสดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน แค่นั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเราดรักษา ร, ระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นชั้นมนุษย์สามมนุษย์โสมนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์ น, นั้งมีหลายประเภท ถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับ ค, ความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษยาเปตุลมนุษย์ซาติเดชาหนูปีชีในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงแหละแต่ใจนั้นกลายเป็นสัตติดิเดชันเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกขย่ำยากประเภทนั้นเขาเรียกว่า มนุษย์ที่เป็นผีหรือว่เป็นเศษเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ ด, ดีฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประความความน ร, ระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับผู้มนุษย์ไม่ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบตัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็น มนุสสเทโวคือกายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญบุญต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกสิิงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดกให้พาเป็นไปแต่ทาตามเหตุผลเมื่อสร่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสาคัญ แต่จะทําให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลชี้บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบําเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเกาานั้นเป็นผลที่ถอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีฮิริโอตตะปะ ละอายต่อบาต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญ ร, รื่นเึิงบันเทิงเชื่อริ่มใส่ต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละหิ้วเลื่อนขึ้นไปเป็นลําดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสําเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา ก็กลายเป็นวิสุธทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นชั้นถึงขั้นพระรหรันเรียกว่าวิสุธทธิเทพเป็นผู้หมดตรวจภายในจิตใ จ, จโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแหลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธจัดสรุปตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ นี่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปลสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สะดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนําไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามจะให้เป็นไปในกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหรแล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากหรือความประพฤติดี อย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ใน ร, รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสนเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันขนาด น, นี้ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรม สอนลูกจิตต้องมุ่งให้ลูกจิตดีทางนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกจิตคนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นเฉลี่มงคลจากตัวอันนี้แสดงธรรมะควารู้สึกจะ แสดงไปมากหน่อหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าจะรับเอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ดมาทําประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่วมเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้น รวนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอกจนมุมหาทางแก้แก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอกจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกําลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วย คือว่าเราบําเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคําว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามัรดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแผ่ใสตัวหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ ย, ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราคู่เป็นหมกก่อน การุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มจิตกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้ามารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้าจะมองข้ามไปไม่ได้อาตายสายใจคออกพ่ออมอาลีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสําคัญเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทําใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่น เย็นอกเย็นใจส บ, บายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตาแต่คนไข้ก็มันจะแสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุดสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยทันที ทุกทุกท่านที่มาบําเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งละครัง้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทําดีตอบผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทําดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศ ล, ลกรรมทําลงไปที่ไหนก็ เป็นผลดีขึ้นมาสําหรับเรากรรมชั่วทําคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทําให้น้าใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทํำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียก ว, ว่าอากุสลาธรรมหรือ อ, ก, อกุศลาธรรมมาหรืออกุศนกร ร, รมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทําคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรม คือกระทําทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทําทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโกรธได้ไข้ควรกันกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพุนทําด้วยดีอย่าทําแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองคํามเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเล่นให้ดี ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความปรับพติอนาคตจะเยี่ยมใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับําดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยแต่มองข้ามความปรับพติ ที่จะควรให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมีตามหลักธรรมท่านสอนอย่างไรทัานโตกแนะนำพาำท่านไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดไปนั่งไปตัวพืชปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้ น้วขออํานวยพรให้แก่บรรดาน ท, ทั้งหลายทุกท่านดด้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุม่หมัยปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีดีจประการะจะมียัถาตะปูให้พรยะหาวาริวหาปูราปริอุเรนติสาคารัง เอวเมวอิโตทินนางเตตานางอุปกปติทิชิตังปัิตังตุม้ังคิปเมวสมิชตุสเพปูเรนตุสังกะปาญานโทปันระโสยะทามิโชติระโสยต